ปกติแล้วพระพุทธเจ้าไม่จำเะไปหาใครง่ายๆถ้าเขาไม่มีบุญไม่มีวาสนาไม่มีอุปนิสัยไม่มีอัธยาศัยที่จะได้บรรลุธรรมเนี่ยพระองค์ให้เก็บตัวตลอดเพราะฉะนั้นพระองค์จะไปเพื่อที่จะช่วยให้ผู้ที่จะบรรลุธรรมเท่านั้นเนี่ยนะอีกเรื่องหนึ่งนะนีอันนี้พระพุทธเจ้าองค์กรพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะพระพุทธเจ้าองค์กรพระนามว่ากัสสปะพระองค์นี้เกิดความสนิทสนมในพระอริยสาวกผู้ตั้งอยู่ในผู้ที่ตั้ง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 ว่าพระพุทธเจ้ามาเปิดหม้อฉันอาหารของเขาเองอ่ะปีติสิบห้าวันปลื้มปีติดีใจติดกันเลยสิบห้าวันพ่อแม่ดีใจติดกันเจ็ดวันของเราจะดีใจขนาดนั้น <Wolver ine. S 2> มั้งเลยเห็นติดกันสักสองนาทีเธอก็ดีใจแล้วนะถ้าใครได้ถึงสองชั่วโมงเก่งจรๆนะิงๆเลยนะท่านโรงแรมเคยปลื้มมั้งไหมเนี่ยผลลุกเลยสู้เลยเคยบ้างหรือเป่านะเฉาเาอยู่ iau, ยังไงมาเคยแนื้นอใจมั้งกันอะ ในอเรื่องหนึ่งนะแล้วอีกเร่องหนึ่งหลังคาพระองค์เนี่ยรัว่วกุติพระกุติพระพุทธเจ้ารัว่วพระองค์ก็เลยใช้บอกว่าพิสูจนน่นไปเอาญ่าจากบ้านคติการะช่างหม้อมาพิสูจนก็ไปรือ้อเอาญ่าเนี่ยมุงกุติพระพุทธเจ้าหมดทีนี้คติการะกลับมาถึงบ้านเอ้าใครมารื้อหลังคาบ้านไปบอกเนี่ยพระพิสูจนมารือ้อเอาไปกุติพระพุทธเจ้ารัว่วอเลยมารื้อหลังคาไปมุงกุติพระพุทธเจ้าท่านฟังแล้วท่านปีติอีก15วัน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 นางวิสาขาเป็นต้นไปพระพุทธเจ้าก็ไม่ยอมกลับท่าเดียวว่า ง, งั้นเถอพระองค์จะไปจำพรรษาที่อื่นจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยพระพุทธเจ้ารู้ยแล้วอะไรจะเกิดขึ้นพอท่านอนาถาบินติกานิมนต์พระพุทธเจ้าให้อยู่จำพรรษาที่นั้นไม่สําเร็จก็นั่งเสียใจทาสีนางปุนาปุนานี่แปลว่านางร้อยเนี่ยนะโดยศัพท์นี่แปลว่านางร้อยหรือนางเต็มเต็มนี่แปลว่าเต็มร้อยพอดีเขาบอกว่าเป็นทาสีมงคลนาสีมงคลนี่ยเขาเคารพมาก เขาไม่ค่อยใช้งานลแล้วแต่มันก็แล้วกันแล า, าดคนที่ร้อยเนี่ยเขาจะเขาจะเคารพนะเขาคือเป็นคนพิเศษรักเหมือนลูกเหมือนหลานไม่ค่อยใช้งานมันอยากทำก็ทำมันไม่อยากทำก็ไม่ต้องไปใช้งานมันทั้งนั้นแหละนางปุน า, นานเนี่ยเป็นทาสีก็เลยไปพูดกับอนาถาว่าเจ้านายเสียใจหรือเออพอเสียใจสิเพราะไม่สามารถจะนิมนต์พระพุทธเจ้าให้กลับได้เมื่อเป็นอย่างนั้นข้าก็เลยมาคิดว่าคงไม่ได้ฟังธรรม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 ขั้ตอนที่นางเจริญวิปัสสนาเนี่ยนะวิปัสสนากําลังเป็นไปพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมให้เธอฟังว่าดูก่อนปุนาเจ้าจงบําเพ็ญสัตรธรรมให้เต็มเหมือนพระอาจารย์ในวันเพญ็ญสัตรธรรมตัวนี้แปลว่าโพธิปัจจะธรรมเธอจงบําเพ็ญโพธิปักจะธรรมให้เต็มเหมือนพระอาจารย์ในวันเพญ็ญอย่าให้พร่องนะจักกระทำที่สุดแห่งทุกที่สุดแห่งทุกข์เป็นชื่อของนิพพานด้วยปัญญาที่บริบูรณ์ได้ไหมายถึง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 เคารพธรรม น, นะนะเพราะความเคารพธรรมแท้ว่าเขาจะถึงสารจะถึงสารณะจะสมาทานศีลเขาจะได้ประพฤติป ฏ, ฏิบัติแล้วบรรลุมรรคผลพระองค์ก็เลยกลับเลยพระราชานิมนต์ไม่กลับนะทาสีนิมนต์แล้วกลับเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะเคารพธรรมอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยนะอีกเรื่องหนึ่งเมื่อพระนันทะเทระหรือนันทะกะเทระเนี่ยนะแสะดงธรรมอยู่ที่โรงฉัน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 ถ้าเธอพึงอาจแสดงธทรรมอยู่ได้ตลอดกับเราก็จะยืนฟังทรรมอยู่ได้ตลอดกับเหมือนกันตลอดกับมาถ้าเธ อ, อเทศจนตายเนี่ยนะเทศดีแบบนี้แลทศเทศจนหมดอายุไขเราก็ยืนฟังจนหมดอายุไขเหมือนกันอย่างนั้นน่ันสรุปว่าพระตถาคตทั้งหลายเป็นผู้หนักในธรรมอย่างนี้เนี่ยนะผู้สำหรับผู้ปฏิบัติทั้งหลายจะเป็นที่รักของพระตถาคตเพราะพระองค์เป็นผู้หนักใน โลกุตระธรรมและข้อปฏิบัติเพื่อโลกุตตรธรรมเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจะถามถึงเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติธรรมเท่านั้นผู้ปฏิบัติเนี่ยนะผู้พวกปัจนำปฏิบั ต, นบตินักปฏิบัติมีอยู่4ประเภทคําว่าปฏิบัตินี่แปลว่าปฏิบัติอยู่ในกระถาวัตถุศิษย์นะกระถาวัตถุศิษย์มีอะไรบ้างหนึ่งมักน้อยสองสันโดษสาวิเวก4ไม่คลุกคลี5ปรารกความเพียร6สมูรณ์ด้วยศีล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 เข้าพระราชมาบัดก็ไม่เคยป่วยด้วยนะแล้วไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้ใครทั้งนั้นอยู่เงียบๆคนเดียวเนี่ยนะตลอดระยะเวลาแปสิปีแล้วก็ปรินีผ่านปรินีพ่านก็เหาะปรินีผานด้วยเนี่ยนะใครไม่ต้องมายุ่งมาคอยมาหาฟืนหาไฟอะไรให้ไม่ต้องเราไม่ต้องลำบากอะไรเกี่ยวกับเรื่องท่านโดยประการทั้งปวงกนะันนะนะพระพุทธเจ้าก็ไม่ถามถึงพระพุทธพระพิสุแบบนี้โดยมากพระพุทธเจ้าก็ไม่ถามถึง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 มันพิสุรรูปนี้มีตันหา ย, ยังเป็นกระบุงอยู่พระองค์ก็เลยไม่ถามถึงประเภทที่สตัวเองก็ไม่สอนด้วยตัวเองก็ไม่ปฏิบัติอยู่ในคาถาวัตถุสิบแล้วก็ไม่สอนใครเลยเช่นท่าโลลุทายิว ท, ทายีเละเธอะมอีรูปหนึ่งทําท่าเหมือนจะเทศเหมือนจะพูดแต่ว่ า, าบบท่านแต่ท่านรูปร่างใหญ่อะไรเนี่ยนะดูข้างนอกหน้าเลื่อมใสแต่ว่าข้างในไม่มีอะไรสักอย่างนะสอนก็ไม่ได้ปฏิบัติก็ไม่เอาเนี่ยนะอย่างนี้เรียกว่าไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนและไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ แต่ผู้อื่นพระพุทธเจ้าก็ไม่ถามถึงพิสูจนแบบนี้อีกทําไมก็เพราะว่ากิเลสความเศร้าหมองในภายในของเธอมีมากเหมือนจะต้องถูกตัดทิ้งด้วยขวานประมาณนั้นพระพิสูจนรูปนี้ต้องใช้ขวานผ่าว่างั้นเถอะคำว่าผ่าก็ผ่าอากุศลออกในจากใจอนะเพราะอย่างนี้มันต้องใช้ขวานนะว่างั้นแต่ไม่ใช่ว่าไปถางหน้าผากนะแต่ว่าถากใจถากกิเลสออกส่วนประเภทสุดท้ายเนี่ยนะประเภทสุดท้ายก็คือว่าพระ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 พระศาสนาพระพุทธเจ้าจะตรัสถามถึงพระภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นก็เมื่อภิกษุเหล่านั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าถามอย่างนี้พระพุทธเจ้าตรัสถามภิกษุผู้ได้กระถาวัตถุสิบผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ทั้งสองฝ่ายแต่ถามเจาะจงในถิ่นที่เกิดของพระองค์เรียกว่าชาวชาติภูมิเนี่ยชาติภูมิพระภิกษุเหล่านั้นก็ปรึกษารูปว่ารูปไหนนาะจะมีมีคุณสมบัติตัวเองก็ได้กระถาวัตถุสิบสอนให้ผู้อื่นปฏิบัติอยู่ใน กะถาวัตถุสิบด้วยก็บอกว่าพระปุณณมันตานิบุตรนี่แหละมีชื่อเสียงในศักดะชนบทเหมือนพระจันทร์และพระอาทิตย์ลอยเด่นอยู่ในท่ามกลางอากาศเนี่ยเป็นคนที่มีชื่อเสียงโดดเด่นมากในเมืองกบิลพัฒน์เนี่ยนะเพราะฉะนั้นภิสูจเหล่านั้นเป็นประดุจนกยูงได้ฟังเสียงเมฆเกาะกลุ่มประชุมกันเป็นดุจพิกูุ์ผู้เริ่มกระทำคณะสาธยาย